ครูฤิธ์นนารรณฤทธิ์แจงว่นวันตาเรืองพระิรานุสทธิและทางวัสทุครูขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนโดยเฉพาะหน้าที่เรียนผุกคขอ ง, ง, ออง ท, ท, ท, ทุกท่าน วันนี้ตั้งใจจะมาเยี่ยมเยียนในราลตั้งใจจะมาเยี่ยมเยียนพระพรกพระุตที่ปวดขวายในหลวงรัชกาลที่เก้าจากนักงานสังเกตุทว่พรัตนศาสดา จำนวน16รูปในยูคอนแค่นี้ก็พอแล้วในยูคอนนะยูคอแบแล้วก็บวนวิชิตถวายเป็นพระราชนูสองแด่ข้าบาทเจเดศข้าพระมเหสีมหาภูวิปปอดุลเดศโกรุมนาบกคิตราชสันติการ เมื่อบวชแล้วในฐานะพระอุปัชฌาย์เจะต้องให้การศึกษาอบรมมอบให้ครูบาอาจารยได้ช่วยกันรับสาระตรงนี้เนื่องจากว่าบวชระยะสั้นเป็นเน้นการปฏิบัต เว้ายเป็นพระราทิตยที่และได้รับความรุ้เคราะจากวัดตาตูเองท่านพ ร, ระถูมิวิสุทธ์ตาลสิทธิจาวาท่านรับเป็นพระวิปัสสนาจารย์ช่วยปกลบดูแลมาจนถึงวันนี้เป็นป่าเป็น ท, ทุกข์สม่และเมื่อมาแล้วก็เปิดจวบอกสับ มีคณะใหญ่ซึ่งนั่งอยู่ตลอดการแต่งชุดขาวส่งผมเรียบร้อยเตรียมจบวกถวายเป็นพระราชานกเช่นเดียวกันมีญาติโยมสายุชนมาร่วมอนุโมทนาจนเป็นวาระที่ น่าชื่นชมยินดีทั้งผู้ที่บวชแล้วและกำลังจะบวชทั้งฝ่ายสุภาพุรุษทั้งฝ่ายสุภาพสตรีทำไมถึงได้พร้อมใจกันถวายพระราชกุศสน ด้วยการบูตรบูตรพระบูตศีลแลจาดีดีก็เพราะท่านถือว่าการบูตได้บุญมากเราจะทำบุญถวายในหลวงราชการที่เก้าเป็นครั้งสุดท้ายเนีย บุญอะไรถึงจะทำแล้วได้มากและเมื่อได้มากแล้วจะได้เขาเลียกอุทธิสวนกุศสวเป็นปฏิธานอะไมให้สวน บ, บุญสวนกุศสวแล้วมีพลังมาก ก็ต้องทำในสิ่งที่เป็นบุญใหญ่โบราณท่านเจนบอกว่ายากอะไรไม่เท่าปฏิสังขรจะสร้างใหม่ง่ายกว่าซ่อมแซมอาคารสถานที่เก่าๆ เ, เ, เ, เวลาเราดูรณะอนุรักษ์เนี่ย ทยากแต่สร้างสร้างใหม่ง่ายกว่ายากอะไรจึงไม่เท่าปฏิสังขรสร้างใหม่ง่ายกว่าบูรณะปฏิสังขปปฏิสังขปยากกว่ายากอะไรไม่เท่าปฏิสังขร ถอนอะไรไม่ยากเท่ากับถอนมานะมานะว่ามีตัวปูตุ๊กปูดยมานะทิท้ิต้องเป็นพระอนา า, ามีพระอระหันต์ถึงจะถอนไดย้ยัดถอนอะไรไม่ยากเท่ากับถอนมานะ ละอะไรไม่ยากเท่ากับลักการคุณการติดในเรื่องโลกีเรื่องความสะดวกสบายสวยๆกำลัรลกให้เด็ดขาดระกหญ่บุญละอะไรไม่ยากเท่ากับลักการคุณ บุญอะไรทำไม่ยากเท่ากับบุญบรรพชาที่ว่าทำบุญด้วยการปวนได้บุญมากเพราะทำยากแค่จะลาบวดหาโอกาสก็ยากถ้าไม่ประจวบเหมกับช่วงนี้ ซึ่งสำนักงานรับสินส่วนประมหานต์ก็ตั์เขาอนุญาตบางทีก็ไม่ได้หลานคุณย่าคุณยาณยาอยากจะเห็นหลานชายบวชรอแล้วรอแล้วไม่ได้เห็นชายพลุไม่ว่างไม่ได้หลานนี่ก็ยากบวชเข้ามาแล้ว ให้บริสุทธิ์บริมูลไม่เป็นอาบัติไม่ผิดศีลก็ยากเพราะศีลสอร้อยยี่เจ็ดข้อทำยากเพราะฉะนั้นบุญอะไรก็ทำไม่ยากเท่ากับบุญบรรพชาหาอะไรไม่ยากเท่ากับหาตน เรามองคนอื่นจับผิดคนอื่นง่ายข้อสุดท้ายจนอะไรแก้ไม่ยากเท่ากับจนปัญญาเราไม่มีสติจนแก้ได้ด้วยเอาปัญญามาใช้หาทรัพย์ แต่พอจนปัญญาขึ้นมาหมดภาคไม่รู้จะแก้ยังโบราณท่านถูกเป็นคำพักเพยอย่างนี้ว่าบุญที่ทำด้ยากก็คือบุญบัตรประชาในสมัย พระพุทธเจ้ามีเด็กหนุ่มชายหนุ่มคนหนึ่งอยากได้บุญเยอะๆเพราะว่าเขาได้ให้ทานรักษาศีลแห่งรัดตรวจมนภาวนา แต่ยังไม่จู๋ใจเพราะเขาบอกว่าบุญใหญ่ต้องมาจากการบวชบวชพระบวชชีอะไรนะเจอได้ไปบวชที่วัดเป็นพระบวชใหม่พรรษาแรกพรักนาวกิกา ตั้งใจทําหน้าที่ของรักใหม่อย่างดีแล้ววันหนึ่งกลางค่สามไปการาบพระอุปัชฌาย์ลาศึกพระอุปัชฌาย์ก็แปลกใจ ทำไมหน่วยนักดีออกอกยากจะบวชและได้บวชสมใจ <c oughs> ไม่พันป้นพรนษาเลยมาลาศึกเสร็จแล้วเหมือนกับบวชถวายในหลวงสิบห้าวันไม่ครบครึ่งทางก็จะออกไป ภูบชาก็ถามสิทำไมจะสึกซหละ่ะเขาก็ตอบว่าไม่ไหวหรับหลวงพ่อไม่มีศรัทธาหรือไงไม่ครับแต่ขืนบวชต่อไปมันขาดคุณหลวงพ่อขาดคุนยังไง คืออย่างนี้หลวพอตอนผมเป็นคารวะท้ายทำบุญด้วยการใส่บาตรถวายทานผมก็ได้บุญหละรักษาศีลห้าศีลูโบสถศีลูโบสถก็วันกลาคืนไม่ขาดที่เหลือก็ในกกสัปดาห์ก็ศีนห้าผมก็ได้บุญละ ตรวจมนต์บัทไหนตรวจมนต์บัทก็ได้บุญแต่พอมาปวดลคลาดอึ่พ่อโดนหักคะแนทนทู้หวนทำอะไรก็โดนปรับอับัตเรื่อยเลยขยับซ้ายก็อักเยี่ยมโดตายนะอับัตอีกเลย ถ้าถามว่าไปไหนมาเราบอกว่าตาม่าอ่ะ โ, อโหกอีกแหละเป็นคารวดหิวขึ้นมาก็หยิบอะไรขึ้นมากินนี่คอยดูเวลาแหะเลยเที่ยงก็จับไม่ได้อยู่ในเที่ยงหยิบมากินอยางไม่ได้ประเคนโดนอีกแหละ หลับอาบันโดนหักคะแนนหยุมหยิบผมว่าถ้าบวดต่อไปเนี่ยไอ้บุญที่ทำมานี่หมดแน่ติดลบลาสึกดีกว่าพระอุปชาก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวที่ลานี่เพราะว่าสีเยุใช่ไหมล่ะ ถ้าห้าข้อนี่เป็นคารวานี่รักษาได้ใช่ไ้ยใช่ครับเผื่อพระองค์จะลดให้เป็นกรณีพิเศษเปไปต่อรองอีกแล้วไปต่อรองพากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูนเรื่องราวต่างๆท้องรารนาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟัง ว่าฟัาใหม่นี่จะสึหกหเอพระย่าถามว่าทำไมคิดืึกท่านตอบว่าเพราะไม่มีที่จะกระดิกตัวในพระศาสน า, ศาสำนวจว่าไม่มีที่จะกระดิกตัวขยับซ้ายก็ผิดขยับขวาก็ผิดพูดก็ผิดอะไรก็ผิดมันเครียด ห่ดนองเครียดพูดเลยภาษาละใหม่หมไม่รีแลกขอใหออ้อนุญาตขอสึกษากาพุธเจ้าก็ถามต่อนี่สแสดงว่าสิ่งเยอะใช่ไหมละ่ะสองร้อยี่สิบเจ็ดข้อมันเยอะใช่ไหม ให้พระองค์เอาอย่างนี้ไหมพระพุทธเจ้าคะต่อรองลดให้เป็นกรณีพิเศษลดสีให้รักษาน้อยลงเอาไหมถ้าทำได้เราบูนละล้นเลยแหละจะเหลือกี่ข้อครับพระองค์มีการเจรจารับพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าบอกลือข้อเดีย ให้รักษาข้อเดียวถ้าเธอรักษาได้ทนได้ต่อไหมต่อใช่ดีอยากเรยนข้อเดียวเองอะไรล่ะข้อไหนล่ะรพระพุทธเจ้ากต็ตรัสตอบเป็นภ า, ภาษาบาลีว่าจิตตังพุทธังสุขาวหัรักษาจิต รักษาใจเธอเนี่ยแล้วมันจะมีความสุขจะไม่เครียดไอ้ที่เธอเครียดเนี่ยเพราะเธอรักษากายรักษาปากรักษาหาวาจาครั้งปากเสียศีลครั้งเตนตกต้นไม้โมแใ่ไปดูปากไปดูเท้าแล้วมันขยับอยู่เรื่อยมันตามไม่ทัน ลองรักษาจิตใจเอาใจดูใจพอเริ่มคิดว่าจะทําอะไรได้รู้แล้วคิดก็ให้รู้ว่าคิดจิตเครียดก็ให้รู้ว่าเครียดเอาใจมองใจจิตโกรธก็ให้รู้ว่าโกรธ โปรหนอโปรหนอ่อยากด่าก็ให้รู้ว่าอยากด่ า, ดาอยากด่ า, ดานอยอยากด่ า, ดานอใจมองใจรักษาแค่ใจเนี่ยหิหนอไ้่หู่หน อ, อ, หนอถ้าเรารูใจของเราเนี่ยมันไม่ทันได้ทำเพราะมันไปดูที่ต้นตอ เวลาเราโกรธเราจะด่าคนที่เราไม่ทันรู้ว่าเราโกรธ น, นะด่าไปเรียบร้อยเนะี่ยแล้วไม่รู้ว่าเราด่าแต่ถ้าเราดูใจของเราก่อนตอนนี้มันโกรธตอนนี้มันเหงาตอนนี้มันกลัวตอนนี้มันเครียดใจเรานี่ก็แปลกนนะ มันที่อายยังไงก็ไม่รู้นะถ้าเรากําลังโกรธแล้วไปดูความโกรธเรานะ้งความโกรธมันลดนะใครไม่เชื่อมาปฏิบัตินี้เราทำเครียดก็ให้รู้ว่าเครียดพอมองจิตเอาใจมองใจอ่ะพอรู้ว่าเราเครียดเนี่ยความเครียดมันลดพอรู้ว่าเราโกรธความโกรธมันลด พอรู้ว่าเรากลัวความกลัวมันลดมันเป็นกฎของจิตทําไมเรียกว่ามันเป็นกฎก็เพาว่าจิตเนี่ยมันคิดในเรื่องเดียวต่อนหนึ่ดวงเขาเรียกเองกัตติตามันคิดในเรื่องเดียวนะ้ ไม่มีใครคิดสองเรื่องพร้อมกันได้นี่มันเป็นกฎเราลองลองไมงโครโฟนมองแก้วมองเต้าอีมันไม่ได้ในขณะที่เราคิดถึงไมโครโฟนเราคิดถึงเต้าอีไม่ได้พอเราคิดถึงเต้าอีเราคิดคิดถึงไมโครโฟนมันสลับกันแต่มันเกิดเร็วมาก จิตมันรับได้หนึ่งเรื่องเนั้นี่คือความรับของจิตที่พระเจ้าคุณพงแล้วก็ามาสอนพวกเราฉะนั้นอย่าทำให้จิตมันคิดเองโดยที่เราไม่ได้กำหนดแล้วมันจะวิบพุดเลยเดี๋ยวมันโดดไปนี่โดดไปนี่โดดไปนี่มาไปนี่ เราฝึกให้มันคิดในเรื่องที่เราอยากให้คิดนั่นคือกรรมฐานเราเดินจงกรมซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอซ้ายยา่างหนอขวาย่างหน่อนี่คือเอาจิตไปกำหนดที่เท้าและถ้าขณะดดนั้นจิตเราตามกำหนดที่เท้าเราจะลืมกำลังการขับจิตปวดประสาทสัในทุกขนานที่ กองรอเราเนี่เราจะไม่คิดกเลยเห็นไหมแล้วจะคิดแต่ไอ้ทางย่างหนอไหวย่างหนอ่อแล้วบางทีคนเราก็จะถามมันม่เห็นมันได้อะไรขึ้นมาเนยมันเดิ น, นเดินเราก็เดินเป็นมืนนนอนตั้งแต่เมื่อไหรไม่ได้มาฝึกเดินเขาให้ฝึกจิตเอาใจตามเท้าของเรา เอาใจตามลมหายใจของเราคองยุคถ้าคองก็รู้ว่าคองยุคก็รู้ว่ายุกคลองหนอยุกหน่อนี่ถ้าจิตมันนิ่งอยู่กับคองยุคเนี่ยใครด่าเราก็ไม่รู้เรื่องเพราะมันไม่ไปคิดเอึดอัดมันจะคิดถึงแต่ตรงนี้แล้วฝึกให้มันนิ่งอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ย ห้านาทีสามนาทีเขาเรียกสมาธิสมาธิแปลว่าคิดเรื่องเดียวเอกิกกสาเมื่อให้เขาฝึกสลับนะั้นเขาฝึกเนอะให้น่าครับน่าครับเพียบสลับแนละ้วแต่อย่าลุกเดินนะฝึกสลับซ้ายขวาไนดะ้อะเป็นไรฝึกไป คิดได้คิดเรื่องเดียวเรียกว่าสมาธิสมาธิคือตั้งใจว่าพระจะคิดเรื่องนี้สมาธิมันต่างจากคนธรรมดาตรงไหนเรามีสิทธิ์เลือกว่าจะคิดอะไร คนทั่วไปไม่มีสิทธิ์เลือกนะถ้าไม่ได้นักก่งกรัมฐานนะเคยไม่เวลาขับรถไปกลัวจะสนใจถนนข้างหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากำลังขับไปดีไม่รู้ไ อ, าามอ้มอเตอร์ซอไซค์มาจากไหนมันแซงแซงซ้ายปากหน้าเราอีจ้ามันก็รอค่ะลืมไม่ที่ขับรถเลยนะ เรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยมันเข้ามามีอำ น, นาจเหนือความรู้สึกของเราแทนที่เราจะเลือกคิดใช่ร้อยแปดพันเก้าอะไรก็ไม่รู้เข้ามากระตุ้นให้เราคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องจนเครียดไปหมดะค เราตกเป็นทาสของศาสนาการที่มากระตุน้นเราไม่ได้เป็นนายของชีวิตเราไม่ได้เป็นนายของความรู้สึกของเราเราจะสุขจะทุกข์มันขึ้นอยู่กับคนอื่นหมดเลยวันนี้คนนี้ยิ้มให้เราแฮปปี้หรือมีความสุขไปหนึ่งวันคิดแต่ที่เขายิ้มให้เรา วันนี้เจ้านายเรียดไปได่าทุกไปอีกทั้งวันสุข ท, ทุกมันตายไม่นอะไรคนอื่นทําให้แต่การฝึกจิตเนี่ยสุขทุกข์กมันอยู่ที่เรา เ, ยเคยเคยได้ยินไหมละ่ะไม่ไปคิดติดในเรื่องนี้มันทุกมันเลียด อ, อย่าไปคิดมัน มันห้ามไม่ได้มันปล่อยวางไม่ได้แต่จริงๆเนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าให้เราเลิกคิดมันเรื่องอะไรก็ตามที่จะตามเราไปทำเพือพูัวหรอมันตามได้หมดเข้าไปในหัวเราในจิตเรา แต่มันมีวิธีหนึ่งที่มาให้มันมาคืออะไรเราคิดสองเรื่องพร้อมกันไม่ได้ก็ อ, อย่าอยู่ว่างท่านเพราะอยู่ว่างจะมันมานะทัานก็เลือกเรื่องที่น่าคิดและควรคิดเอามาคิดหนะ่อยเลือกมาหนึ่งเรื่องเรื่องอะไรห้องยุบสิ ทันจะคิดเลงเนี่ยอะไรมาก็ปัดมันเลยหมดที่เราเรียกว่าฟุ้งพอมันมาแล้วเราแล้วเราไม่ใส่ใจมันนะทัานจะคิดเรื่งหองหนอ่อยุคหนอ่อยจะจะคิดเรื่งซ้ายย่าหนอขวาย่างหนอเลือดมันคิดแค่นี้แหละแล้วเพลียไม่มีเพลียเพราะเราคิดถึ่เพลียเกรรมถ า, านนะในซีวิตประจำวนันเราสวดมน อิติปิโสภัตตาวาสวานสตมุปติปโนใครส่วนอิติปิโสภัตวาได้ตลอดโดยไม่พุ้งซ่านเลยมีสมาธิในการสวดแต่ในชีวิตจริงไม่นัท่านสวดเสียงปากตามเลือดอิติปิโสภัตาวาหันตมาสัมสุตโตเดินเวทีนเนี่ยไหอ้าใครเอาพู้บัญชีเร า, าแถลง ยัวย่วอะไลืมไส่วนไปโผไปเห็นไห ม, ไหมแต่คนที่มีสมาธิจิบจอยอันจะส่วน ใ, ใครจะดา่าใครจะว่าใครชอบใครทังช่างเพลิดใครเชิดใครเช่งชั้งเขาใครเบื่อใครบน่นคนเอาใจเราร่มเย็นเป็นของ ร่เย็นท่านสมาธิโลกจะแตกเราก็ไม่นนสนใจคนที่ทำกรรมฐานเองเขาเรียกควจิตที่นึงทานาดมีความสุขฉะนั้นไม่เครียดนะท่านรักษาใจเอาใจมองใจเอาใจดุลใจมีสมาธิ จับไว้เรื่องเดียวบางคำนรรักเขาสอนอย่างนี้ลงพจนเรียนยมือขึ้นลง อ, อย่างนี้ไม่ไปคิดเรื่องอื่นเลยใครไม่เคยทำลองไปทำดูสิทำไมวันนี้มือซีดจังเลยมือขาดนะมันเึอได้ เ, เก็บเงินไม่อยู่เลยคิดกี่เรื่องเห็นไหม ไม่ดูแค่นี้ทําไม่ได้เรื่องมันก็เข้ามาเยอะเลยคลื่นแทรกเยอ ะ, ะเหมือนวิทยุมีคลื่นแทรกเยอะพอคลื่นแทกเยอะมันสังไม่รู้เรื่องชีวิตมันก็ไม่มีความสุขแต่คนไหนที่มีสมาธิจะทําทีลาเรื่อง ก, การที่ท่านมาบวชนี่คือฝึกสมาธิ ฝุดสติยังไม่ได้บอกว่าสติคืออะไรนะเดี๋ยวจะสับสนเอาเข้าสมาธิกันแล้วกันสมาธิเนี่ยให้อยู่กับเรื่องเดียวและถ้าเรามีสมาธิกับเรื่องใดเราจะมีความสุขกับเรื่องนั้นเคล็ดลับของความสุขอยู่ตรงนี้ ถ้าเรามีความสุขอยู่กับเรื่องใดแสดงว่าใจเราปลูกอยู่ตรงนั้นเราสนใจพอเราสนใจเนี่ยจิตมันจะเพิ่เติมสําหรับคนทั่วไปมันอาจจะหน้าบื้อะนั้นเพราะท่านกำตรองหาใจต้องหรือกำตรองยุ้งเนี่ ย, าาดดายดดามานถึงจุดหนึ่งมันจะสงบมันมีความสุขเขาเรียกสมาธิชั่าปีติทุก ข, ขัง เปตตสุกเกิดจากสมาธิอันนี้เองที่ท่านเดจะต้องมาบวนันเพื่อฝึกสมาธิแล้วกลับไปทำงานท่านจะมีความสุขงานปกตินี่มันน่าเบื่อแต่ถ้าเราหาจุดเดีวของมันแล้วใจเราไปผูกอยู่กับมันเรื่องเดียวเนี่ยเราจะเพลินนะมันไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ เราชอบเราจะเรียนได้ดีแล้วมีความสุขวิชาไหนที่เราไม่ชอบมือหรือไม่ชอบครูที่สอนมันจะไม่ได้เรื่องเลยท่านไม่ได้ความรู้เลยสัมปันเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปิดใจให้ชอบเหมือนที่ทุกท่านมารวมกันอยู่ที่นี่มาหมวด หรือกำลังจะบวชเพราะฉันทะคือจงรักภักดีถวายสบาทสมเด็จพระเจ้ า, า, อ, ยาจอยู่หัวรัชกาลที่๙เห็นไหมโ้โหในชีวิตเรานี้ได้มาบรนดบวชถวายท่านในโอกาสนี้เนี่ยเป็นบุญย่ลาเป็นโอกาสที่ดีล้วเกิดพอคิดอย่างนี้เนี่ยมันมันสว่างไสวเยนะ อะไรอะไรเป็นเรื่องเล็กน้อยหมดเลยปัญหาที่จะตามมาเราจะไปนอนในกรดได้ไหมยุงกัดไหมมีน้ำดื่มมีอะไรที่ไม่เป็นสปยายะนี่หมดเลยสู้ได้อยู่ที่ใจสุขและทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใส ถ้าไม่ถือก็ไม่ทุกข์พบสุขาจเราอยากได้ความสุขหรือทุกข์น่ะถ้าเราอยากได้ความสุขเรามองแง่ดีมองด้วยฉันทะด้วยความพึงพอใจทําอะไรแล้วมีความสุขฉะนั้นลุงปู่หลวงพ่อที่ท่านอยู่ในถ้ำอยู่อะไรหรือ่างท่านทำด้วยความพึงพอใจมีความสุขแต่คนที่ไปติดคุกเนะย ใจมันไม่มีสันทักมันจะหีรูปเดียวทุกเกือบตายทั้งๆที่ก็ที่แคบๆเหมือนกันเห็นไหมมันอยู่ที่สภาพใจรักษาใจโยมกลับไปเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนซ้ำใหม่เขาบอกรักษาใจนี่สแรกพระไม่เข้าใจอ๋อเหลือพ่อเดียวนะท่านก็ เลยบวชต่อเพราะกลับไปดูใจพอดูใจแล้วกายมันก็ไม่ผิด เ, เพราะมันคิดก่อนพูดคิดก่อนทำํำศีลมันก็ไม่ขาดเลยไม่เครียดเลยบวชต่อตลอดเลยเด็กเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านมีอูบายวิธีศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยศีลห้าพ่อเนี่ยสมมุติ ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ระเมิดปิตรในการไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเยสพติดเป็นเรื่องกายกับวาจาคนันไม่ฆ่าสัตว์มันจะต้องลงมือทุบหรือสั่งให้ฆ่าศีลถึงจะขาดคิดแช่งอย่างเดียวศีลไม่ขาดนศะีลมันอยู่ที่ต้องแสดงออกมาทางกายทางวาจา ห้ามพูดปดมุสาว่าคุมกายกับคุมวาจานะบางคนบอกห้ามพูดปดนี่คุมวาจาอย่างเดียวก็เขาห้ามพูดบางคนกลัวสินขาดไม่พูดเช่นนั่งอยู่หน้าห้องท่านพระครูเจ้าว่าคนมาถามลุงพี่ หลวงพ่อเจ้าวาดอยู่ไหมเรากลัวสินขาดว่าโกหกก็เลยไม่พูดสายหน้าอย่างเดียวอ๋อไม่อยู่เนาะไปเลยที่จริงอยู่สินขาดนะห้ามพูดโปดผมไม่ได้พูดหรอกพวกหัวหมอลูกศิษย์วัด แม่ชีแม่ชีไปตลาดจะไปซื้อของมาทำบุญถวายพระไปยืนมองแม่ค้าเขาขายปลาแม่ค้าก็ถามว่าซื้อไหมคะแม่ชีบอกไม่ซื้อหรอกมีแต่ปลาเป็นๆ เ, เท่านั้นเดี๋ยวผิดศีลแล้วก็เดินเลยไป สักพักกลับมาแม่ค้าถามซื้อไหมครับปลาตายหมดแล้วค่ะซื้อเลยทําำอย่างนี้ทุกวันรู้กันโอ้หมอ ค, อคือศีลมันไม่ได้คุมแต่กายคุมวาจาด้วยที่เราพูดอะไรเราฆ่าเองก็ได้สั่งให้เขาอุ้มก็นเลใช่ไหม ปุ้ที่ไหนมันไปฆ่าสามวัตถุประสงค์อันนี้เขาเรียกคุมกายกับวาจาร์ผิดศีลแต่ใจเนี่ยมันเป็นที่มาของการกระทำนั้นเวงถ้าเราคุมใจแล้วเราก็ไม่ฆ่าไม่รักทรัพย์ไม่ือาพฤติตกรรมเด็กวัดไปตลาดไปซื้อปูเป็นเป็นใหม่ต้มน้ำห้เดืดเลยกลัวผิดศีลนี่ไง เอาไม้สองอันาพาดปากหม้อให้ปูเดินข้ามตาดีก็ได้ตาล้ายก็เสียมันก็ตกไปนี่เลยน้ำร้อนๆเนี่ยเออช่วยไม่ได้เองเดินไม่ดีไอตัวไหนเดินได้ไอันนี้เก่งอ่อยลอกนึ่เรื่องศีลเป็นเรื่องที่ต้องแสดงเราจึงบอกว่าในนวประว่า ศีลคือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยหรือการรักษาการวาจาเรียร้อเรียกว่าศีลการรักษาใจมั่นช่วยสมาธิความรอบรู้ในกองรักษาฐานชื่อว่าปัญญาเราไปรักษากายวาจามันไม่เหนื่อยมันตามไม่ทันเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามีร้อยจึงให้ท่านมารักษาใจที่นี่รักษาใจแล้วศีลมันจะเกิดโดยอัตโนมัติเพราะเราเอาใจดูใจ และไม่เครียดเพ่าไหรเพราะเราพอเรามีสมาธิเนี่ยเราชอบเรื่องไหนเราจะมีสมาธิในเรื่องนั้นแล้วจะเพลิดเพลินเคยอ่านนิยายที่เราชอบไหมล่ะบางพ่อแม่เ น, นี่ยตอนเด็กต้องมาเตือ น, นมันดึกแล้วนอนนะไอ้ห น, หนูอ่านนิยายเพลินเราชอบมันเพราะแบบเรียนอ่านนะหลับปุ๊บ อเห็นพอเป็นตำราขึ้นมานหลับแต่สมมุติถ้าเราพริกิตตำราก็ชอบอ่านเริ่ไม่อยากวางอยู่ที่ใจอ่านธรรมะบุคนอ่านธรรมะเออเคยไปเทศเที่อเมริกาแล้วโยม ต่างรัฐโยงคนไทยเนี่ยขอเทพปธรรมะให้ส่งไปด้วยสมัยรู้นนานมาแล้วก็ส่งทำไรษสีไปเขาบอกว่าสามีเขาเป็นหมอหมอคนไทยหน่อนอนไม่หลับพ่าตัดทีไรได้โดนคนไข้ฟ้องทุกทีเลยคนอเมริกาชอบฟ้องหมอโดนไปหลายคดีจะล้มละลายอยู่แล้ว ท่านมาเทปเนี่ยเขาไม่ได้มาฟังมันอยู่ต้องขึ้นเครื่องบินมาแล้วช่วยส่งเทปไปผมก็ส่งไปพอส่งไปแล้วสักสามสี่วันข่าวเป็นไงได้ความยังไงฟังหรือเปล่าสามีฟังคได้ผลมากเลยได้ผลยังไงฟังปุ๊บหลับปับนอนไม่หลับมาหลายวันฟังทำบ้าดหลับเลยเนาะอือ ตอนนี้ชักจะชินแล้วเอาเรื่องใหม่ก็แล้วกันถ้าเดี๋ยวไม่หลับมันยังไงแต่ก็ได้บุญเลยเนาะทำให้คนเครียดหลับได้บางคนมันเป็นอย่างนั้นพอฟังพระเทศเสียมหลับทุกทีหาเสาวไว้ก่อนตั้โบสแย่งเสากันพิงกะหลับชอบเรื่องไหน มีสมาธิในเรื่องนั้นมีความสุขเหมือนที่เราชอบที่มาทำถวายในหลวงและบุญที่ได้จากการบวชบรรพชาอานิสงส์มากอย่างไรในสมัยรัชกาลที่4ครับ สมเด็จ ก, กรมพยานำลงราชานุภาพได้บันทึกเล่าเป็นเกร็ดประวัติศาสตร์ไว้ในสมัยรัชกาลที่สี่ตำแหน่งเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชว่างลงตำแหน่งว่าแต่เป็นเมืองหัวเมืองใหญ่ว่างรอโปรดเก้าโปรดเก้าตั้งเจ้าเมือง คนที่มีสิทธิ์จะเป็นเนี่ยรอกันอยู่และผู้มีสิทธิ์หลายคนก็วิ่งกันกีลุ้นกันกมีคนหนึห่งไอเราอยู่เฉยๆมันจะไม่ได้นะต้องทำบุญใหญ่จะได้เป็นเจ้างมื่ แล้วบุญใหญ่นี่คือทําอะไรอ่บวชสิในช่วงรอเนี่ยไปบวชขึ้นมาจากนครศรีธรรมราชมาบวชที่กรุงเทพ บ, บวชที่วัดพิชยญาณิการามตรงข้ามถนนเดินริปปงตรงข้ามวัดปิยูณเนี่ยนั่นแหละไปบวชที่วัดพิชยญาท้องคนภาคใต้เนี่ ย, ย, ายาเข า, น, า น, นิยมมาอยู่ตรงนั้น โอ้ยพอบวดแล้วนี่เข่งคัดมากบวดมนภาวนาศึกษาเล่าเรียนภาคเพียรปฏิบัติทำวัดเช้าเย็นเนี่ยนะให้ได้บุญเยอะบุญจะได้หนุนส่งให้ได้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชท่านท่านพ็พระใหม่นี้เอาจริงเอาจังในบทหนึ่งพันานะ่คือหนึ่ง ในพรรษานั่นแหละท่านเค่งครัดนอกจากทําหน้าที่กังวันแล้วกลางคืนก่อนจําวัดก่อนนอนเนี่ยท่านสวดม น, น, มนต์สวดมนต์ทิพุติแต่ไม่ไม่ได้ไหวพระสวดมนต์ก่อนนอนเนี่ยไม่ได้นานหรอกอ拉หังสั่งมาสวดมนต์ไปอะไรไปก็สุดท้ายสาบพระ ในใจอรหังสัมมาสัมพุทโธพะกวาว่าในใจนะพุทธังสักขวันตังอภิวาทมิคอมมในใจเนี่ยท่านก็ก้มลงกราบพระเห็นพระธรูปของเล็กๆมีก็ก้มลงกราบพระพอาก้มลงท่านนะั้นแหละเสียง ป, ปืนดังเปรี้ยงสนั่นไม่รู้มาจากไหน ลูกกระสุนทาดศีรษะเป็นเส้นยาแดงขาแปดคู่แข่งส่งมือปืนมายิงท่านและไอมือปืนมันก็เห็นพระดิ่งเต้าดิ่งเก็เล็งเิยเล็งแล้วมันก็เนียวไกมันไม่รู้หรอกว่าพระกำลังมิตรดูพระสวนไปนถึงมิพอดีเลยก้มตาพีท่าน ลูกปืนมาเลยถากไปคุณพระช่วยจริงๆเลนะเพรากลับพนระปืนสมัยนะั้นมันเป็นปืนปแก๊สตัมกลร น, นัเพอยิงมันดังร่าวัดเลยนะกัคงฟูนหนึ่งแล้วก็ถ้าจะยิงใหม่ต้องต่ำอีกนะแล้วโจ์ที่ไหนมันจะอยู่ต่ำมันย็วินีคนก็ไล่กวดมันมันไปโดดไปน้ำที่แม่น้ำเจ้าพยายว่ายหนีไปเลยพระรูปนี้ ลอดตายเพราะกราบพระกอด น, นอนไหว้พระก่อ น, นอนถ้าธเหมือนเราบางรูปเนะีวันนี้แบส่วดเมื่อมากแล้ ว, ว, น, วนะนอนดยกว่าไปแล้วบุญลักษาะจริงซึ่งออกมาได้เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชชื่อจริงท่านชื่อหนูพร้อม บรรดาศักดิ์สุดท้ายได้เป็นเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีหนูพร้อมบุญบรรพชาอาธิษฐานให้บุญลักษาแต่ครั้งนี้เราปวดเพราะถวายในหลวงเมื่อจะกล่าวทำไมจึงเชื่อว่า ทำดีถวายแล้วพระองค์ชอบในหลวงราชการที่เก้าท่านอยู่บนสวรรค์ท่านรู้ด้วยทิพ ย, ยเนตรใดๆก็ตามทรงฟองพระทยัยอนุโมทนาบุตในความดีของเราเรารู้ว่าพระองค์ชอบให้ปฏิบัติธรรมสือตีนบนวชสวดมนต์ภาวนาเพราะอะไร เพราะในยามที่ทรงพระชนชีพอยู่เนี่ยพระองค์โกรธการปฏิบัติธรรมโดยพระธรรมทานรู้จากท่านอาจารย์สัญญาธรรมศัจ ต, ตอนนั้นท่านศาสตราจารย์สัญญาธรรมศั์เป็นประธานองค์ขบวนตรีเลย สบนานมาแล้วนะสมัยที่ท่านสัญญาเป็นประธานอุปมนตรีท่านปาตคถาวันที่ห้าธัานวาคมที่ตึกสันติไมัเตรียมทำเรียบรัฐบาลไปนั่งฟังท่านอยู่ด้วยท่านศาสตราจารย์สัญญาธรรมสังประธานอุปมนตรีท่านพูดอย่างนี้ท่านเล่าอย่างนี้ท่านบอกว่า มีคนมาถามอาจารย์สัญญาศัวท่านเองอาจารย์ทำไมโกงอายุถามท่านสัญญาว่าทำไมโกงอายุอาจารย์สัญญาก็บอกโกงยังไงเอา้าก็ท่านเทียวบอกใครต่อใครว่าอายุแปดสิบ แต่ผมดูหนะ้าตาท่านเหมือนคนหกสิบอาจารย์สัญญาบอกนี่แกล้งชมว่ายังหนุ่มใช่ไหมล่ะเออไม่ได้แกล้งก็อาจารย์เหมือนหกสิบจริงๆอ่ะแล้วทำไมอายุจริงเท่าไหร่ได้ถามหน่อยแปดสิบแล้วท่านสัญญาบอกผมแปสิบแล้ว เอาแล้วทำไมดูหนุ่จังเลยอาจารย์สัญญาบอกผมมีเคล็ดลับทำทุกวันสองอย่างเคล็ดลับสองอย่างคืออะไรบริหารกายกับบริหารจิตทาทุกอย่างทาทุกทำทุกวัน บริหารกายคือออกกําลังกายต้องไม่อยู่นิ่งต้องออกกําลังต้องเดินต้องจ็อกกิ้งต้องรถน้ำต้นไม้ทุกวันแต่บริหารจิตจิตต้องนิ่งต่างกันแล้วออกกําลังกายเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนไหวต้องยกต้องเดินต้องวิ่ง แต่บริหารจิตบริหารกายกายต้องไม่นิ่งนะแต่พอบริหารจิตจิตนิ่งบริหารจิตให้จิตนิ่งยังไงเพราะทั้งวัดนี่มันคิดจนตาตาตตเลยนะเครียดไม่รู้มันคิดอะไรเหมือนลิงบนยอดไม้อะปดแรงเหนื่อยเลยนะเราคิดจนเหนื่อยแล้วอยากให้จิตมีกำลังไหอยาก ทำไงใ ห, ให้มันอยู่นิ่งๆดิเพราะจิตมันอยู่นิ่งเงินมันจะมีจะแข็งแรงมีกําลังเพราะปกต 24, 25, ิยี่สี่เจ้งเนี่ยโอยมันไม่รู้ไปเที่ยวที่ไหนนินทาใครบ้างด่าใครบ้างอยู่ในหัวเรานี่แหละแต่ต่อไปนี้ไม่ให้มันคิดอะไรให้มันอยู่เวยๆมันจะเกิดกําลังเป็นพลังจิต บริหารกายนะแล้วออกบินเบาทออกเดินจงกรมด อ, อกเดินไปไหนคือบริหารกายกายไม่ลิ่งเป็นประโยชน์แก่ร่างกายสุขภาพกายดีแต่ตรงกันข้ามถ้าเราบริหารจิตจะให้จิตมันคิดเลยยิ่งคิดมันยิ่งหมดแรงนะยิ่งคิดมันยิ่งอ่อนแอฝึกให้มันนิ่งนิ่งยังไงทําสมาธิ ทำกรรมฐานอาจารย์สัญญาบอกผมฝึกคิดเรื่องเดียวเช่นสวดมนต์ผมก็ไม่คิดเรื่องอื่นเลยสวดมนต์อย่างเดียวคิดอยู่นิน่งนั่งกรรมฐานกำหนดลมหายใจกำหนดอะไรสักนินท่งทำอย่างนี้ทุกวันอาจารย์สัญญาธรรมศัสตร์บอกว่าผมทำมาตั้งแต่ ยังนุ่มๆนนั่งกรรมฐานเนี่ยวันละยี่สิบนาทีแต่สู้ในหลวงไม่ได้ในหลวงราชการที่เก้าอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์บอกว่าตรงนั่งกรรมฐานวันละสี่สิบนาทีขนาดยุ่งที่สุดนะพระเท้าผ่นดินเนี่ยแต่ยังมีเวลานั่งกรรมฐาน อาจารย์สัญญาได้แค่ยี่สิบนาทีในหลวงได้สี่สิบนาทีเพราะอาจารย์สัญญาธรรมักเข้าเป้าในหลวงก็เรีกรัดว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมไม่เพียงแต่ทำให้เราผู้ปฏิบัติมีความสุขเท่านั้นยังทำให้คนที่ใกล้ชิดเราพร้อยมีความสุขไปด้วย อย่างพวกท่านมาบวชเนี่ยไม่ใช่พวกท่านมีความสุขมีความสงบอย่างเดีย ว, ยวญาติโยมพ่อแม่พี่น้องพลอยอ่ะนุโมทนาชื่นชมรื่มใจดีใจมีความสุขไปด้วยการปฏิบัติธรรมเป็นคนดีในครอบครัวของคนในครอบครัวสามีปฏิบัติธรรมไปบวชไปอะไรต่างเนภรรยาดีใจครอบใจมีความสุข ภรรยาไปปฏิบัติธรรมไปบวชมีความสามีมีความสุขพ่อแม่มีความสุขเมื่อลูกเป็นคนดีแต่ถ้าลูกเป็นคนเลวติดคุกติดตลาดใครทุกข์กันพ่อแม่คนใกล้ชิดเพราะฉะนั้นในหลวงท่านยึงบอกว่าใครทำความดีไม่ใช่ดีเฉพาะขวดสด ทำความดีแล้วยังทำให้คนอื่นพลอยมีความสุขไปด้วยแล้วในหลวงเป็นพ่อหลวงของคนทั้งประเทศถ้าเห็นคนไทยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระองค์มีความสุขคนไทยรักกันคนไทยสามนาทีกันปฏิบัติทำด้วยกันไม่ถือเขาคือเราไม่ทะเลาะบอกไว้ถ้าทรงได้เห็นอย่างนี้เนะี่ยมีความสุขพระองคเรา สามัคคีกันทำความดีแต่ถ้าเราทะเลาะเกาวง้งขัดแยง้งไม่สามัคคีกันไม่มีธรรมะถ้าทรงพระชนอยู่ก็ไม่สบายพระทัยฉะนั้นเรามาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำความดีร่วมกันประเทศชาติก็ซอยมีความสุข จเจริญรุมเรืองเพราะผลบุญผลกุศลด้วยและเพราะความดีที่เราทำยิ่งคนทั้งประเทศปฏิบัติกันมากขึ้นมากขึ้นโอกาสจะสมานนิชันโอกาสจะอภัยการโอกาสจะสมัครสมานสามัคคีมันก็มีมากขึ้นทำดีถวายพ็หลวงทุกคนมีความสุ ข, ขเพราะฉะนั้นเราเชื่อได้เลยว่าอย่างที่อาจารย์พัญญาธรรมสั์พูด ในหลวงทรงชอบการตรงโปรดการปฏิบัติธรรมยิ่งมาบวชและปฏิบัติธรรมเนี่ยยิ่งชอบอเราทำความดีถวายพระองค์ท่านด้วยการมาบวชมาบรรพชาและปฏิบัติกรรมฐานถวายเป็นพระราชกุศล เป็นที่ถูกพระไทยแน่นอนและเป็นบุญกุศลที่ทำได้ยากบุญอะไรทำไม่ยากเท่ากับบุญบรรพชาจงภูมิใจว่าเราได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดด้วยการมาบวชปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกคุศล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยความกรตัยูในฐานะพระสงนิกรเป็นเรื่องที่ภาคภูมิใจเกิดฉันทะและเมื่อเป็นฉันทะสิ่งต่างๆที่ตามมามันจะเป็นสมาธิเป็นความสุขเป็นความสงบไม่ว่าเราจะไปปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ตามเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม อนุโมทนาทั้งสิ้นวันนี้ได้มารู้มาเห็นทางในฝ่ายพวกเราจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทั้งผู้ที่มาแสดงความยำ ง, งุ่มประสมบ์หือและบทชีต่อไปบาท่านที่บทชีด้วยเป็นเรื่องที่น่าปลื้มใจน่าใจ ถ้าพระองค์ท่านได้ทราบด้วยญาณวิธีใ ด, ดก็จะได้ทรงอนุโมทนาบุญเป็นแม่แท้เพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ขอพวกเราทุกรูปทุกคนได้สงบสำรวมกายวาจารใจตั้งกัลยาณจิตอธิษฐานอ่านคุณพระศีรัะจันตรย และอำนาจแห่งบุญกุศร์ที่เกิดจากการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมขอจงมรุมกันเป็นสบาเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยผู้ทิพยถวายเป็นพระราชบูรุษในพระบาทสมเด็จพระบรมพระปรเินทราคามหาภูมิพลอดุลยเดชบร ม, มานาถบพิธ ขอได้ทรงโปรดอนุโมทนาบุญเพื่อเพิ่มบารมีธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปแด่พระองค์ท่านในสมปราสัมราร ย, ยาภพสมกเด็เจตนาปาร์ของเราท่านทั้งหลายทุกประการอันหนึ่งบุญกุศล น, นี้จงเป็นปฏิพรย้อนสนองให้ผู้ปฏิบัติบำเพ็ญบุญทั้งปวงผู้อุปถัมภ์บำรงผู้สนับสนุน ทุกท่านจงมีส่วนแห่งบุญบุญสนี้และมีความเจริญครอบนาภัยบูญยิ่งขึ้นไปในร่มธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยอายุวันนะสุขาภละปะฏิภานธรรมสานสมบัตินาสารสมบัติปราถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบในธรรมก็ขอให้ความปราถนานั้นจงพันสมบรจ็จงพันสมบร็ จ, จงันสมบร็จ สมโนรถมุ่งมาตปราถนาทุกประการตลอดกาลละนานคือน